ฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาเรื่องที่สองข้อข อ, ขอกระบวนการของการศึกษาได้กล่าวแล้วว่าแกนนาแห่งกระบวนการของการศึกษาได้แก่สัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเป็นแกนนาและเป็นฐานแล้วกระบวนการแห่งการศึกษาภายในตัวบุคคลก็ดำเนินไปได้กระบวนการนี้ แบ่งเป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆเรียกว่าไตรสิกขาแปลว่าสิกขาหรือหลักการศึกษาสามประการคือหนึ่งการฝึกฝน พ, นพัฒนาในด้านความประพฤติระเบียบวินัยความสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะเรียกว่าอาธิศีลสิกขาเรียกง่ายๆว่าศีล 2. การฝึกฝนพัฒนาจิตใจการปลูกฝังคุณธรรมการสร้างเสริมคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพจิตเรียกว่าอธิจิตตสิกขาเรียกง่ายๆว่าสมาธิ 3. การฝึกฝนพัฒนาทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงรู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทําให้แก้ไขปัญหาไปตามแนวทางเหตุผล รู้เท่าทันโลกและชีวิตจนสามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆดับกิเลสดับทุกข์ได้เป็นอยู่ด้วยจิตใจอิสระผ่องใสเบิกบานเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาเรียกง่ายๆว่าปัญญาหลักการศึกษาสามประการนี้จัดวางขึ้นโดยอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกว่าวิธีแก้ปัญหาของอารยาชนเป็นพื้นฐาน วิธีแก้ปัญหาแบบอารยชนนี้เรียกตามคำบาลีว่าอริยมักแปลว่าทางดำเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทำให้เป็นอริยชนหรือวิธีดำเนินชีวิตที่ประเสริฐอริยมักนี้มีองค์ประกอบที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของการปฏิบัติ8ประการคือ 1. ทัศนะความคิดเห็นแนวคิดความเชื่อถือ ทัศนคติค่านิยมต่างๆที่ดีงามถูกต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือตรงตามสภาวะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบองค์ประกอบของอริยมรรคประการที่สองความคิดความดำริตริตรองหรือคิดการต่างๆที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่เศร้าหมองคุณมัวเป็นไปในทางสร้างสรรค์ประโยชน์สุขเช่นคิดในทางเสียสละหวังดีมีไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลและความคิดที่บริสุทธิ์อิงสัจจะอิงธรรมไม่เอ็งเอียงด้วยความเห็นแก่ตัวความคิดจะได้จะเอาหรือความเครียดแค้นชิงชังมุ่งร้ายคิดทำลายเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแปลว่าดําริชอบ องค์ประกอบของอริยมรรคประการที่สการพูดหรือการแสดงออกทางวาจาที่สุจริตไม่ทําร้ายผู้อื่นตรงความจริงไม่โกหกหลอกลวงไม่ส่อเสียดไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่หยาบคายไม่เหลวไหลไม่เพ้อเจ้อเลื่อนลอยแต่สุภาพนิ่มนวลชวนให้เกิดมิตรีสามารถขี่กันถ้อยคําที่มีเหตุผลเป็นไปในทางสร้างสรรค์ก่อประโยชน์ เรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าวาจาชอบองค์ประกอบของอริยมรรคประการที่สการกระทำที่ดีงามสุจริตเป็นไปในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามทำให้อยู่ร่วมกันด้วยดีทำให้สังคมสงบสุขคือการกระทำหรือทำการต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปเพื่อการทำลายชีวิตร่างกายการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นการล่วงละเมิดสิทธิในคู่ครองหรือของรักของหงแหนของผู้อื่นเรียกว่าสัมมากรมมันตะแปลว่ากระทำชอบองค์ประกอบของอริยมรรคประการที่หการประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นเรียกว่าสัมมาอาชีวะ แปลว่าอาชีพชอบองค์ประกอบของอริยมรรคประการที่6การเพียรพยายามในทางที่ดีงามชอบธรรมคือเพียรหลีกเว้นป้องกันสิ่งชั่วร้ายอากุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเพียรละเลิกกำจัดสิ่งชั่วร้ายอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรสร้างสรรสิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรส่งเสริมพัฒนาสิ่งดีงามหรือกุศลธรรมที่เกิดมีแล้ว ให้เพิ่มพูนเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปจนเพียบพร้อมภัยบู์เรียกว่าสัมมาวายามะแปลว่าพยายามชอบองค์ประกอบของอริยมรรคประการที่7การมีสติกำกับตัวคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำในเวลานั้นๆใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานระลึกได้ถึงสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์หรือทรรมที่ต้องใช้ในเรื่องนั้นๆเวลานั้นๆไม่หลงไหลเลื่อนลอยไม่ละเลยหรือปล่อยตัวเผลอเรอโดยเฉพาะสติที่กำกับทันต่อพฤติกรรมของร่างกายความรู้สึกสภาพจิตใจและความนึกคิดของตนไม่ปล่อยให้อารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุมาจุดกระชากให้หลุดหลงเลื่อนลอยไปเสียเรียกว่าสัมมาสติแปลว่าระลึกชอบ องประกอบของอริยมรรคประการที่8ความมีจิตตั้งมัน่นจิตใจดำเนินอยู่ในกิจในงานหรือในสิ่งที่กำหนดหรือในอารมณ์ได้สม่ำเสมอแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่วกแวกหวั่นไหวบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมัวนุ่มนวลผ่อนคลายไม่เครียดไม่กระด้างเข้มแข็งเอางาน ไม่หดหูทอแท้พร้อมที่จะใช้งานทางปัญญาอย่างได้ผลดีเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าจิตมั่นชอบหลักการศึกษาสามประการคือไตรสิกขาก็จัดวางขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรคอริยมรรคหมายถึงมรรควิธีแก้ปัญหาหรือมรรคคาแห่งความดับทุกข์ รายศิกขานั้นจัดวางขึ้นโดยมุ่งให้ผลเกิดขึ้นตามหลักปฏิบัติแห่งอริยมรรคคือเป็นการฝึกฝนอบรมให้องค์ทั้งแปดแห่งมรรคนั้นเกิดมีและเจริญงอกงามใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ดียิ่งขึ้นตามลำดับจนถึงที่สุดกล่าวคือ 1. อธิศีลศิขาคือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวาจา สัมมากมันตะและสัมมาอาชีวะเจริญ ง, งอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางความประพฤติวินัยและความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอารยะชนเป็นพื้นฐานแก่การสร้างเสริมคุณภาพจิตได้ดี 2. อธิจิตตสิขาคือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ จเจริญงอกงามขึ้นจนบุคคลมีความพร้อมทางคุณธรรมมีคุณภาพจิตสมรรถภาพจิตและสุขภาพจิตพัฒนาถึงมาตรฐานของอารยชนเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาปัญญาได้ดี 3. อธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาด้านหรือขั้นตอนที่ฝึกปรือให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปะป ะ, จะเจริญงอกงามขึ้น จนบุคคลมีความพร้อมทางปัญญาถึงมาตรฐานของอารยชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีจิตใจผ่องใสเบิกบานไร้ทุกข์หลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นต่างๆเป็นอิสระเสรีด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแต่ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นแกนนำแห่งกระบวนการของการศึกษานั้นจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการดังนั้นในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการศึกษาจุดสนใจที่ควรเน้นเป็นพิเศษคือเรื่องปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิที่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแหล่งเป็นที่มาของการศึกษาคำที่พูดกันว่าให้การศึกษาก็อยู่ที่ปัจจัยสองประการนี้เองส่วนกระบวนการของการศึกษาที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั้น เพียงแต่รู้เข้าใจไว้เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลและคอยเสริมคุมกระตุ้นเร้าให้เนื้อหาของการศึกษาหันเบนดำเนินไปต่างกระบวนนั้นเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นรูปร่างของกระบวนการศึกษาซึ่งเขียนให้ดูได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13ทับหนึ่งประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ จุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาของการศึกษาได้แก่ 1. เสียงจากผู้อื่นอิทธิพลจากภายนอกหรือปรโตโคสะที่ดี 2. โยนิโสมนาสิการคือรู้จักคิดคิดถูกวิธีอันเป็นปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยนี้นำมาสู่กระบวนการของการศึกษาอันได้แก่ 1. อธิศีลสิกขาฝึกฝนพัฒนาความประพฤติวินัยสุจริตกายวาจาและอาชีพ 2. อ, อธิจิตตสิกขาฝึกฝนพัฒนาคุณธรรมคุณภาพสุขภาพและสมรรถภาพของจิต 3. อธิปัญญาสิกขาฝึกฝนพัฒนาความเชื่อค่านิยมความรู้ความคิดถูกต้องดีงามตรงตามจริง